จึงมาถึงสัญญาถึงสังขารซึ่งเป็นส่วนนามธรรมล้วนๆแล้วจึงมาวิญญาณซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเราคุมไว้ข้างท้ายสำหรับที่จะพิจารณาเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสนาภูมิได้โดยสะดวก ก็นั้นผัสสะจึงมีความหมายถึงความประชุมของทั้งสามอย่างดังที่กล่าวนั้นเป็นอาหารของเวทนาคือใจนำผลมาคือนำให้ เกิดเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขให้เกิดสัญญาคือความรู้จําได้จํารูปจําเสียง จ, จํากลิ่นจํารสจำมลทพะจาเรื่องราวอะไรต่างๆได้เป็นสังขารคือความรู้ คิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆและเมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณแล้วก็วนเป็นวงกลมมาใหม่อีกก็เป็นไปอยู่ดังนี้เป็นเรื่องของรูปและนามที่บังเกิดอยู่ในปัจจุบันของบุคคลทุกๆคน โดยที่รูปนั้นก็ต้องอาศัยอาหารคือคาข้าวหยาบบางละเอียดบ้างส่วนนามก็อาศัยอาหารคือภัดสะดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่ารูปไม่ได้อาศัยอาหารคือคาข้าวก็ดำรงอยู่ไม่ได้ นามไม่อาศัยอาหารคือผัสสะหรือสัมผัสนามก็บังเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารคือคำข้าวจึงเป็นที่หนึ่งอาหารคือผัสสะจึงเป็นที่สองมาถึงข้อที่สามมนโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนษสังเกตนาความจงใจกลัดว่าเป็นอาหารของกรรมและพระสาริบุตรก็ได้แสดงอธิบายตามพระพุทธเจา้าเพราะว่ากรรมคือการงานที่บุคคลกระทำทางกายก็เป็นกายกรรม ทางวาจาก็เป็นวจีกรรมทางใจก็เป็นมนโนกรรมย่อมเกิดจากมโนสัจเจตนาคือความจงใจจะต้องมีมโนสัจเจตนาหรือเรียกสั้นว่าเจตนาความจงใจเป็นเหตุ จึงได้กระทำทางกายเป็นกายกรรมกระทำทางวาจาเป็นวจีกรรมกระทำทางใจเป็นมนโนกรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าเจตนาหั่งพิขเวกัมังวดามิ ดูก่อนพิจิตทั้งหลายเรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมคือเป็นเหตุให้กระทํากรรมเพราะว่าบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วจึงกระทําทางกายบ้างกระทำวาจาบ้างและกระทําทางใจบ้างฉะนั้น กรรมที่บุคคลกระทำทุกๆอย่างทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรือบุญกรรมไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมหรือบาปกรรมย่อมมีเจตนาคือความจงใจ หรือโมโนสังเจตนาเป็นเหตุคือเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่นำผลมาคือนำให้บังเกิดกรรมฉะนั้นโมโนสังเจตนาหรือเจตนาคือความจงใจ จึงเป็นอาหารของกับนับเป็นข้อที่สามมาถึงข้อที่สี่วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอันวิญญาณนี้ที่ได้กล่าวมาในเบื้องตน้น ท่านเรียกว่าเป็นวิถีวิญญาณเป็นวิญญาณในวิถีอันหมายความว่าเป็นวิญญาณที่บังเกิดขึ้นตามวิถีคือตามทางวิถีคือทางก็คือวิถี ของกายจิตนี้ที่ประกอบกันอยู่เป็นไปอยู่อันนับแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกนะประจวบ ก, กันเป็นบิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนี่เรียกว่าเป็นวิถี คือเป็นทางแห่งความเป็นไปของกายและจิตที่อาศัยกันอยู่ที่ประกอบกันอยู่ที่ดำเนินไปอยู่จึงเรียกว่าวิถีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณในปฏิสนธิวิญญาณในปฏิสนธินี้ก็ได้แก่วิญญาณธาตุคือธาตรู้หรือจิตที่ อาศัยอยู่ในกายนี้ซึ่งบุคคลทุกๆคนนี้มีกายและจิตประกอบกันอยู่ถ้าหากว่าไม่มีจิตกายนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายเพราะฉะนั้น จึงได้มีแสดงเอาไว้ในบางพระสูตรว่าเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งต้นแต่เกิดขึ้นในคันของบันดาเริ่มกอ เกิดขึ้นก็มีปฏิสนธิวิญญาณซึ่งมีคำเรียกว่าขันทพพะคนทัน เข้ามาสู่คันของบารดาอีกส่วนหนึ่งมาประกอบเข้ากับส่วนประกอบที่เป็นรูปเมื่อเป็นดังนี้สัตว์จึงเริ่มมีชาติคือความเกิดขึ้นมาและ เมื่อคนคันทัพพะหรือปฏิสนธิวิญญาตเข้าสู่คันของมารดาในขณะที่ได้ก่อรูปขึ้นตั้งตนแต่เป็นกรลละและ ก็เริ่มเติบโตขึ้นแตกเป็นปัญจสาขามีอาจตนะที่บริบูรณ์ขึ้นโดยลำดับก็จะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณประกอบอยู่ด้วยตลอดถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณหรือว่าจิต หรือว่าคนทันดังที่เรียกในพระสูตรพรากออกไปเสียเมื่อใดรูปที่ก่อขึ้นมาตั้งแต่ต้นนั้นก็เป็นอันว่าแตกสลายไม่ก่อเกิดขึ้นอีกต่อไปแม้ว่า เมื่อคลอดออกมาจากครันของมารดาแล้วกายและจิตนี้ก็ต้องประกอบกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่ในเบื้องตอนนั้นก็ต้องจะต้องอยู่ถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่เบื้องตอนนั้น หรือว่าจิตออกไปเสียจากร่างกายนี้เมื่อใดร่างกายอันนี้ก็เป็นอันวหยุดที่จะเติบโตแตกสลายตายจะดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้หรือจะเรียกว่าขันท่าด้วยรูปนาม เมื่อวิญญาณดังกล่าวไม่มีแล้วขันห้าหรือรูปนามก็แตกสลายได้มีพระพุทธภา ษ, ษ, ษ, ษิตทธิตรัสไว้ที่ใช่เป็นบทสำหรับพิจรารณา ว่าอาจีรังวัตยังกาโย ο. ไม่นานหนอไายนี้บัทวิงอธิเสสติจากนอนทับแผ่นดินถุดโดอเปตวิญญาโนปราศจากวิญญาณถูก ทิ้งนิรทั่ง์งบักลิงกรัรเงราวกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์คาถาบทนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่ากายนี้ทั้งรู ป, ปรกาย ทั้งนามากายคือขันท่าหากปราศจากวิญญาณใช่แล้วก็จะต้องนอนหรือถูกทอดทิ้งให้นอนทับแผ่นดินเหมือนอย่างท่อน ปืนทอนไม้ไม่มีประโยชน์กายทั้งรู ป, ปากายทั้งนามากายหรือขันห้านี่ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะยังวิญญาเพราะเพราะยังมีวิญญาณไม่ปราศจากวิญญาณฉะนั้นวิญญาณ น, นี้จึงเป็นอาหารสำคัญของนามรูปหรือของขันห้า หรือว่าของรูปปกายนามกายมือวิญญาณนี้ยังอยู่นามารูปก็ยังดำรงอยู่แต่เมื่อประาดจากวิญญาณเสียแล้วนามารูปก็เป็นอันว่าแตกสลายฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นอาหารของนามรูปเป็นข้อที่สี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารไว้สี่อย่างดังนี้และพระสารีบุตรก็ได้แสดงตามสมาธิก็คือความรู้จักอาหารทั้งสี่เหล่านี้ ว่าคำข้าวเป็นอาหารของกายหรือของรู ป, ปกายผัสสะหรือสัมผัสเป็นอาหารของนามมีเวทนาเป็นต้นมโนสัญเจตนาหรือเจตนาความจงใจเป็นอาหารของกรรมวิญญาณเป็นอาหารของนามรูป ต่อจากนี้ท่านภาษารี่บทก็ได้แสดงอธิบายให้รู้จักอาหารและสมุทยัยเหตุเกิดแห่งอาหารก็ชี้เอาตัญหาคือความริ่นรนทยานอยาก สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักว่าตัณหาคือความริ่นรนทยันอยากเป็นเหตุแห่งอาหารทั้งสี่ดังกล่าวและแสดงต่อไปว่าความรู้จัก อาหารอริโรดคือความดับอาหารก็คือความรู้จักว่าดับกันหาเสียได้ก็เป็นความดับอาหารและปัญญาที่รู้จักดังนี้ก็เป็นสมมติทิคือความเห็นชอบต่อไปก็แสดงว่า ปัญญาที่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารก็คือมักมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความด ร, ริชชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายมะเพียรชอบสัมมาสติ ระลึกชอบสมมาสมาธิตั้งใจชอบเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารปัญญาที่รู้จักข้อ ป, ปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังนี้เป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบพิจารณาดูแนวอธิบายของท่านดังนี้ก็จะเปิ่นเห็นได้ว่า เพราะตันหานี้เองเป็นโอนโนภวิกาเป็นเหตุให้ถือพบถือชาติใหม่เพราะฉะนั้นจึง เป็นเหตุให้แสวงหาอาหารแห่งรูปธรรมนามธรรมแห่งกรรมและแห่งวิญญาณอยู่ตลอดไปซึ่ง เมื่อมีอาหารเหล่านี้อยู่ก็ป่าไม่มีที่จบพบจบชาติเป็นแนวอธิบายในทางดับพบดับชาติจึงได้แสดงว่าตันหาเป็นตัวสมุทัยแห่งอาหารและดับตันหาเสียได้ก็เป็น ดับเป็นการดับอาหารคือเป็นการดับภพบดับชาติและก็มักมีองค์8ดนั่นแหละเป็นทางปฏิบัติแม้จะกล่าวว่าท่านแสดงมุ่งในทางดับภพบดับชาติแต่ก็เป็นสัจจะคือความจริงว่าความสืบต่อภพชาติ ก็เพราะมีตัญหานี้เองเป็นตัวเหตุเพราะสัจจะคือความจริงเป็นดังนี้จึงได้มีพระพุทธภาสิทธิตรัสไว้ว่าโลกอันตันหาก่อขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นโลกก็เพราะยังมีตันหาอยู่เป็นตัวก่อ ให้เกิดขึ้นดับกันหาเสียได้ก็ดับโลกแล้วก็เป็นการดับทุกข์เป็นสัจจะคือความจริงแต่แม้เช่นนั้นเมื่อไม่ประสงค์จะดับโลกไม่ประสงค์จะดับกันหายังต้องการโลกอยู่ยังอยู่กับโลก ปฏิบัติในการแสวงหาอาหารทั้งสนี้โดยทางที่ชอบเพื่อจะได้พบชาติที่ดีที่ชอบพบชาติในปัจจุบันก็เป็นพบชาติที่ดีที่ชอบมีความสุขพบชาติต่อไปก็มีความสุขดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่นาน菩萨ที่บุตรจึงได้แสดงสัจจะคือความจริง และความที่มีปัญญารู้จักความจริงในเรื่องอาหารในเรื่องเหตุเกิดอาหารในเรื่องความดับอาหารในเรื่องทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังนี้แหละคือเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแม้จะเป็นข้อที่ต้องพิจารณาเรียกว่ายากขึ้นไปจากประการแรก แต่ก็สามารถจะพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงได้และจะทําให้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้แสดงว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็ย่อมจะมีความเห็นตรงย่อมจะมีความเลื่อมใสไมีหวั่นไหวในพระธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงเรื่องสมาธิธิตามอธิบายของท่านพระสาดิบุตรในสมาธิธสูตร สมาทิทีิความเห็นชอบความเห็นตรงย่อมนำให้ได้ปัสสาทะความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหว ในพระธรรมนำมาสู่พระสัจธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ท่านพระสารีบุตรได้อธิได้แสดงอธิบาย ว่าเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเป็นสมมธิทีิคือความเห็นชอบโดยปริยายคือทางแสดงหลายประการ ตั้งแต่ในเบื้องต้นก็คือรู้จักอกุศลรู้จักอกุศลละมูลรู้จักกุศลรู้จักกุศลละมูลอันเป็นสัมมาทิฏฐิที่ท คนทั่วไปพึงมีเป็นพื้นฐานต่อจากนั้นท่านก็ได้แสดงอาหารคือธรรมะที่นำผลมาอันหมายถึงเหตุแห่งผล ตั้งตนแต่อาหารอันเป็นเหตุความดำรงอยู่ได้ของกายอันเป็นฝ่ายรูปธปรรมอาหารของนามธรรมาอาหารของกรรม คือการที่กระทาทางกายวาจาใจของทุกคนและอาหารของนามารูปเพื่อให้รู้จักอาหารธรรมะที่นำผลมาคือเหตุแห่ง ทั้งสี่อย่างนั้นและต่อจากนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ถามต่อไปท่านก็ได้แสดงอธิบายสืบต่อไปอันจะแสดงในวันนี้ก็คือท่า น, นได้อธิบายไว้ มีใจความว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือความรู้จักทุกข์รู้จักทุกข์กสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักทุกขนิโรธ